เรื่องข้ามแม่น้ำสองเรื่องสมัยนั้นผ้าพื้นหนึ่งหลุดจากมือพวกช่างย้อมไปคล้องอยู่ที่เท้าของภิกษุรูปหนึ่งผู้กําลังข้ามน้ําท่านเก็บไว้ด้วยตั้งใจว่าจะนําไปคืนให้เจ้าของพวกเจ้าของกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระภิกษุรูปนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าพิกษุเธอไม่มีทยจิตไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่หนึ่งรสสมัยนั้นผ้าผืนหนึ่งหลุดจากมือพวกช่างย้อมไปคล้องอยู่ที่เท้าของพิกษุรูปหนึ่งผู้กำลังข้ามน้ำท่านมีทยจิตคิดว่าพวกเจ้าของจะเห็นได้ถือเอาผ้านั้นไปพวกเจ้าของกล่าวหาภิกษุนั้นว่า